วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่16เมษมิถุนายนพุทธศักราช2562เป็นวันที่ท่านทั้งหลายว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอน ของพระพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณประเสริฐผู้มีความรู้ความฉลาดมีความสามารถที่จะกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากพระทัยของพระองค์หลังจากที่พระองค์ได้ทรงกำจัดความทุกข์ต่างๆ ที่มีอยู่ในพระไทยของพระองค์ให้หมดสิ้นไปแล้วพระองค์ก็นำเอาความรู้วิธีการดับทุกนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้ที่ไม่รู้ต่อไปผู้ที่ได้ยินได้ฟังแล้วเกิดศรัทธาเกิดความเชื่อน้อมนำเอาไปปฏิบัติ ก็จะสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้กลายเป็นพระอริยสงสาวกขึ้นมานี่คือเรื่องของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้าเป็นผู้ตัดสู้วิธีการดับทุกข์เมื่อทรงรู้แล้วก็นำเอามาเผยแผ่สั่งเทสั่งสอน ให้แก่ผู้ที่ไม่รู้ต่อไปคำสั่งคำสอนก็คือพระธรรมพอผู้ที่ได้ยินได้ฟังน้อมนำเอาไปปฏิบัติก็จะสามารถกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของตนให้หมดสิ้นไปได้ผู้ที่หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง ด้วยการได้ยินได้ฟังและปฏิบัติตามก็จะเป็นพระอาหารหันตสาวกขึ้นมาเป็นพระอริยสงฆ์นี่คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์องค์ประกอบของพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนานี้จะอยู่ได้นั้นจำเป็นจะต้องมีองค์ใดองค์หนึ่ง ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าก็ต้องมีพระธรรมคำสอนหรือมีพระอริยสงสาวกที่จะนำเอาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเผยแผ่ต่อไปได้ถ้าไม่มีพระธรรมคำสอนไม่มีพระอริยสงสาวกไม่มีพระพุทธเจ้าพระพุทธศาสนา ก็จะไม่มีวันอยู่ต่อไปได้ถึงแม้จะมีวัดวาอารามถึงแม้จะมีโบสถ์มีเจดีย์มีศาลามีพระพุทธรูปมีพระบรมสารีริกธาตุมีอะไรต่างๆที่เป็นส่วนประกอบทางด้านวัตถุของวัดวาอารามสิ่งเหล่านี้ ไม่ได้เป็นตัวของพระพุทธศาสนาไม่สามารถที่จะยังพระพุทธศาสนาให้อยู่ไปได้เรื่อยๆสิ่งที่จะยังให้พระพุทธศาสนาอยู่ไปได้เรื่อยๆก็คือต้องมีพระพุทธเจ้าหรือพระธรรมคำสอน หรือพระ อ, อริยสงสาวกเท่านั้นถึงจะสามารถที่จะทําให้พระพุทธศาสนาอยู่ไปได้เรื่อยๆพุทธศาสนิกชนอย่างพวกเราถ้าเรารักพระพุทธศาสนาเราอยากจะปกป้องรักษาพระพุทธศาสนาอย่าให้อยู่ไปเรื่อยๆ เราก็ต้องมาปกป้องรักษาพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์ให้อยู่ให้มีอยู่ในโลกนี้ไปเรื่อยๆแล้วพระพุทธศาสนาก็จะมีอยู่ในโลกนี้ไปเรื่อยๆไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องถาวรวัตถุต่างๆที่ไม่ใช่เป็นองค์ประกอบของศาสนา เป็นเพียงส่วนเกินส่วนที่มีก็ได้ไม่มีก็ได้สมัยที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญทรงปฏิบัติทรงบรรลุและทรงนำเอาพระธรรมคำสั่งคำสอนมาเผยแผ่ให้แก่สัตว์โลกสมัยนั้นก็ไม่มีทาวรละวัตถุต่างๆเหมือนอย่างในสมัยนี้ แต่พระพุทธศาสนากับเจริญนุ่งเรืองเป็นอย่างมากเพราะว่ามีแต่การผลิตพระอริยสงสาวกขึ้นมานั่นเองดังนั้นถ้าเราอยากจะให้ศาสนาของเราอยู่ไปเรื่อยๆสิ่งที่เราต้องมาทำกันก็คือมาผลิตพระอริยบุคคลกันผลิตพระ อริยสงสาว ก, กันพระสงฆ์นี้มีอยู่สองแบบด้วยกันคือพระสงฆ์ที่เป็นปุถุชนกับพระสงฆ์ที่เป็นพระอาริยบุคคลพระสงฆ์ที่เป็นปุถุชนนี้ยังไม่สามารถที่จะรักษาพระพุทธศาสนา ให้อยู่ไปได้เรื่อยๆ เ, เพราะยังไม่ได้บรรลุถึงธรรมอันประเส ร, ริฐที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบรรลุถึงที่เป็นธรรมที่จะนำเอามากำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจถ้ามีแต่พระปุตุชนพระสงฆ์ปุตุชน ก็จะไม่สามารถที่จะรักษาพระพุทธศาสนาให้อยู่ไปได้อย่างตลอดต้องมีพระสงฆ์ที่เป็นพระอริยบุคคลคือตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์นี่คือพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้า ที่เราสวดในบทพุทธคุณไว้ว่าสุปิสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์ปฏิบัติที่ถูกต้อง มีอยู่สี่ลักษณะด้วยกัน เ, เมื่อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วผลก็คืออาลยบุคคลสี่ประเภทก็จะปรากฏขึ้นม า, เ, าเป็นพระโสดาบันขั้นที่หนึ่งจากนั้นก็ขึ้นไปสู่ขั้นที่สองพระสกิดาคามีจากนั้นก็ขึ้นไปสู่ขั้นที่สามคือพระอนาคามี จากพระนาคามีก็ขึ้นสู่ขั้นที่สคือพระอาหารหันต์ทำไมจึงมีพระอริยบุคคลอยู่ถึงสี่ขั้นก็เพราะว่าอุปสรรคลึกสิ่งที่สร้างความทุกข์ให้กับใจนี้มีอยู่สี่ระดับด้วยกันนั่นเองก็เลยจำเป็นที่ต้องกาจัดเหตุที่มาสร้างความทุกข์ ให้แก่ใจนี้ไปตามลำดับจึงมีการบรรลุเป็นขั้นๆไปบุคคลนิสละที่บรรลุเป็นพระอริยสงสาวกนี้จะรู้จากวิธีกำจัดความทุกข์เพราะได้ปฏิบัติได้ศึกษาและได้น้อมเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติอย่างถูกต้อง จึงสามารถกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดไปพอรู้จักวิธีกำจัดความทุกข์แล้วก็สามารถนำเอาความรู้นี้ไปสอนให้แก่ผู้อื่นได้ส่วนพระสงฆ์ที่เป็นพระปุถุชนนี้ได้แต่เพียงศึกษาหรืออาจจะไม่ได้ศึกษา แต่จะไม่ได้ปฏิบัติยังไม่ได้ปฏิบัติจึงยังเป็นพระปุถุชนอยู่เหมือนกับคารวทญาติโยมที่ไม่ได้ปฏิบัติถ้าไม่ได้ปฏิบัติแล้วพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ยังไม่เป็นพระธรรมที่จะนำเอามากำจัดความทุกข์ต่างๆได้เป็นเพียงเครื่องมือ แต่ถ้าไม่รู้จักใช้เครื่องมือก็ยังไม่สามารถใช้เครื่องมือนั้นให้เกิดประโยชน์ขึ้นมาได้ต้องมีการหัดใช้เครื่องมือการปฏิบัตินี้ก็เป็นเหมือนการหัดใช้เครื่องมือที่พระพุทธเจ้าส่งมอบให้แก่ผู้ที่ปรารถนาการหลุดพ้นจากความทุกข์ต้องเอา เครื่องมือที่พระพุทธเจ้าสงมอบให้นี้มาหัดใช้เมื่อได้หัดใช้แล้วก็จะรู้จักวิธีใช้ที่ถูกต้องที่สามารถที่จะเอาไปกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจได้เนจึงกลายเป็นพระอริยบุคคลขึ้นมา อ น, นี่คือสิ่งที่ชาวพุทธเราควรที่จะให้ความสำคัญกันคือการผลิตพระอริยบุคคลกันวิธีที่จะผลิตพระอริยบุคคลก็คือพุทธศาสนิกชนนี่แหละที่จะต้องเป็นผู้ศึกษาพระธรรมคำสอนด้วยตนเอง หลังจากที่ได้ศึกษาแล้วก็น้อมนําเอาไปปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วก็จะได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลขึ้นมาพอเป็นพระอริยบุคคลแล้วก็สามารถที่จะนําเอาไปสอนผู้อื่นได้ต่อไปการจะเป็นพระอริยบุคคลนี้ไม่มีข้อ จำกัดว่าจะต้องเป็นนักบวชเพียงอย่างเดียวผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี้เป็นได้ทุกเพศทุกใบเป็นนักบวชก็มีเป็นคารวาสผู้คองเลินก็มีเป็นหญิงก็มีเป็นชายก็มีเป็นผู้สูงอายุก็มีเป็นคนหนุ่มคนสาวก็มี แม้แต่เด็กก็มีเพราะว่าจิตใจนี้ไม่ได้เหมือนกับร่างกายจิตใจนี้ไม่มีอายุเหมือนกับร่างกายถึงแม้ว่าร่างกายจะเป็นเด็กแต่จิตใจนี้อาจจะเป็นผู้ใหญ่ก็ได้จิตใจนี้ไม่มีเพศไม่มีเพศว่าเป็นหญิงหรือเป็นชาย จิตใจก็คือผู้รู้ผู้คิดผู้ที่ถูกความหลงหลอกให้สร้างความทุกข์ต่างๆขึ้นมาพอศึกษาพระธรรมคาสอนที่เป็นความจริงที่จะมาแก้ความหลงพอเอาพระธรรมที่เป็นความจริงมาแก้ความหลงความหลงก็หายไปการผลิตความทุกข์ต่างๆ ก็ยุติลงไปจิตใจของทุกคนที่เป็นปุทธชนนี้เป็นจิตใจที่มีความหลงครอบงำอยู่ไม่ว่าจะเป็นนัก บ, บวชจะเป็นผู้คองเรือนจะเป็นหญิงหรือเป็นชายเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่จิตใจของปุทุชนทุกคนเหมือนกันหมดคือมีโมหะอวิชชา ที่เป็นผู้คอยเสี้ยมสอนคอยหลอกให้ใจไปสร้างความทุกข์ต่างๆขึ้นมาด้วยการผลิตความอยากความต้องการต่างๆขึ้นมาพอเกิดความอยากเกิดความต้องการในสิ่งต่างๆใจก็จะร้อนขึ้นมาใจก็จะหดหยิดดําคาญใจกวนกวายใจจนทนไม่ไหว จนต้องไปหาสิ่งต่างๆที่อยากได้มาแล้วสิ่งต่างๆที่ได้มาไม่ช้าก็เร็วก็กลับมาสร้างความทุกข์ให้กับใจอีกทอดหนึ่งเพราะสิ่งต่างๆนั้นเป็นสิ่งที่มีวันสิ้นสุดลงไม่ได้มีไม่ได้เป็นสิ่งที่ถาวรได้มาแล้วไม่ช้าก็เร็ว ก็จะต้องมีการสิ้นสุดลงมีการพัดพรากจากกันไม่พัดพรากจากกันตอนเป็นก็พัดพรากจากกันตอนตายนี่คือความหลงของใจที่ไม่รู้ว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ได้มาแล้วนี้จะอยู่กับใจไปตลอดจะเป็นของใจไปตลอด จะให้ความสุขกับใจไปตลอดจะต้องมีวันใดวันหนึ่งที่จะต้องมีการพัดภาคจากกันพอเกิดการพัดภาคจากกันขึ้นมาความสุขที่ได้จากสิ่งต่างๆก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมานี่คือความหลงความหลงที่ไม่รู้ว่าสิ่งต่างๆที่ใจคิดว่าจะให้ความสุขกับใจนั้น จะอยู่กับใจไปตลอดจะเป็นของใจไปตลอดแต่ความเป็นจริงแล้วไม่มีอะไรที่จะอยู่กับใจไปได้ตลอดใจนี้เวลาที่ไม่มีร่างกายเราก็เรียกว่าดวงวิญญาณใจที่ตายจากที่แยกจากร่างกายไปจากในชาติก่อนพอ ร, ร่างกายตายไป ใจก็จะแยกออกจากร่างกายร่างกายก็จะกลับคืนสู่ธาตุสีคือดินน้ำลมไฟใจที่มีความหลงที่หลอกให้มีความอยากได้สิ่งต่างๆก็จะไปหาร่างกายอันใหม่ไปรับร่างกายอันใหม่จากพ่อแม่คนใหม่พอพ่อแม่ คนใหม่สร้างร่างกายขึ้นมาในท้องใจก็จะไปเกาะติดทันทีแล้วพอร่างกายจเจริญเติบโตก็คลอดออกมาใจที่ไม่มีรูปร่างหน้าตามีแต่ความรู้สึกนึกคิดก็จะไปหลงคิดว่าร่างกายเป็นใจแล้วก็จะใช้ร่างกายนี้เป็น เครื่องมือหรือเป็นคนรับใช้ให้ไปหาความสุขต่างๆที่ใจอยากได้ตะด้วยความหลงที่คิดว่าสิ่งต่างๆที่ใจอยากได้นั้นจะให้ความสุขกับใจแต่ใจขาดความรู้ความจริงของสิ่งต่างๆว่าจะให้ความสุขได้ชั่วคราวเท่านั้น เพราะสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้นับตั้งแต่ร่างกายที่ใจได้มาเป็นสมบัติชิ้นแรกจะต้องมีวันสิ้นสุดลงทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มีเกิดแล้วก็จะต้องมีดับไปเป็นธรรมดา น, นั่นเองพอเวลาที่ได้มาก็จะมีความสุขแต่พอเวลาที่เสียไป ก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาและเวลาที่ยังไม่ได้เสียไปแต่รู้ว่าไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องมีการเสียกันใจก็จะเกิดความกังวลเกิดความหวาดกลัวขึ้นมานี่คือความทุกข์ที่ตามมาที่เกิดจากความหลงที่หลอกใจให้ไปหาความสุข จากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้โดยที่ไม่ได้บอกใจให้รู้ว่าสิ่งต่างๆที่ใจได้มานั้นไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องมีวันสิ้นสุดลงจะต้องมีวันพัดภาคจากกันไม่ว่าจะเป็นอะไรที่ใจได้มาในโลกนี้ เริ่มต้นที่ร่างกายสมบัติชิ้นแรกที่ใจได้ก็คือร่างกายพอได้ร่างกายแล้วใจก็ใช้ร่างกายนี้เป็นเครื่องมือไปหาสมบัติอื่นๆต่อไปไปหาข้าวของเงินทองไปหาลาบยศเนี่ยไปหาลาบก็คือข้าวของเงินทองไปหายศก็คือไปหาตำแหน่งต่างๆ เป็นใหญ่เป็นโตกันเป็นนั่นเป็นนี่กันแล้วก็ไปหารางวัลต่างๆ ต, ตามความสามารถของใจแต่ละดวงใจบางดวงมีความสามารถในการแสดงก็ไปหารางวัลทางการแสดงได้ตุ๊กตาทองคำได้สุพรรณหงษ์ทองคำใจที่เก่งทางด้านกีฬา ก็ไปหาเหรียญทองกันเหรียญทองโอลิมปิกเหรียญทองซีเกมเอเชียนเกมเวลาได้สิ่งเหล่านี้มาใจก็มีความสุขถ้าเราก็ไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆดยการดูภาพด้วยการฟังเสียงด้วยการลิ้มรส ด, ดมกลิ่น ด้วยการสัมผัสสิ่งที่มากระทบกับร่างกายทำให้เกิดมีความสุขต่างๆขึ้นมานี่คือขระบวนการของการสร้างความทุกข์ของใจโดยไม่รู้สึกตัวเพราะคิดว่ากำลังไปหาความสุขได้ร่างกายก็ดีใจใช่หไหมพอเกิดขึ้นมาก็เลี้ยงวันเกิดฉลองวันเกิดกันเลย ทุกคนอยากมีร่างกายเพราะมีร่างกายแล้วจะได้ใช้ร่างกายไปหาลาบยศสระเสริญไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายถ้าไม่มีร่างกายหรือร่างกายไม่มีความสามารถเช่นร่างกายเป็นโรคภัยไข้เจ็บพิกลพิการร่างกายก็จะไม่สามารถหาความสุขให้กับใจได้ ใจถ้าเจอร่างกายที่ไม่สมประกอบก็จะเป็นใจที่อยู่อย่างไม่มีความสุขอยู่กับความทุกข์ไปแต่ใจที่ได้ร่างกายที่สมประกอบก็ต้องเจอความทุกข์ต่อไปอยู่ดีเพียงแต่ว่าช่วงที่ยังสมบูรณ์แข็งแรงก็เป็นช่วงที่หาความสุขต่างๆได้แต่ในขนาดเดียวกัน ความสุขต่างๆที่หามาได้นี้ก็ไม่แน่นอนว่าจะอยู่กับใจไปได้นานมากน้อยเพียงไรความสุขบางอย่างได้มาปั๊บแล้วเดี๋ยวก็หมดไปความสุขบางอย่างได้มาก็อยู่ไปยาวหน่อยเช่นความสุขที่เราได้จากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆจะเป็นความสุขที่ได้มาแล้วก็หมดไป อย่างรวดเร็วเราไปเที่ยวกันเราก็ได้ความสุขจากการไปเที่ยวพอเรากลับบ้านความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวก็หายไปหมดถ้าเราอยากจะได้ความสุขแบบนี้อีกเราก็ต้องออกไปเที่ยวอีกความสุขบางอย่างก็อยู่กับเรานา น, านหน่อยเช่นสิ่งที่เป็นวัตถุหรือเป็นคนเป็นก็จะอยู่กับนานหน่อย ได้มาแล้วก็จะอยู่กับเรานา น, านหน่อยเช่นได้สมบัติเข้าของเงินทองได้แฟนได้ลูกได้สามีได้ภรรยาอันนี้พอได้มาแล้วก็จะอยู่กับเรานา น, านหน่อยแต่ไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องมีการพัดพากจากกันไปต่อไป ระหว่างที่อยู่ร่วมกันก็จะเกิดความห่วงใยกันเกิดความหวงเกิดความกังวลเพราะไม่รู้ว่าจะพัดภาคจากกันเมื่อไหร่เนี่ยนี่แหละคือกระบวนการสร้างความทุกข์ให้แก่จิตใจโดยคิดว่ากําลังไปหาความสุขกันหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญ หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผ่านตาผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่ของต่างๆเหล่านี้ของที่หาหาความสุขต่างๆเหล่านี้เป็นของชั่วคราวจะต้องมีวันสิ้นสุดลงพอถึงวันสิ้นสุดลงความสุขนั้นก็จะหายไป ความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนที่เวลาที่ร่างกายเข้าสู่วัยชราความสามารถของร่างกายที่จะหาความสุขต่างๆก็จะลดน้อยถอยลงไปแล้วพอมีการเจ็บไข้ได้ป่วยก็ยิ่งจะลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆความสุขที่เคยได้ก็จะหายไปแล้วความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนที่ ต่อไปนี่คือเรื่องของความหลงที่หลอกให้ใจมาหาความทุกข์โดยหลอกให้คิดว่ามาหาความสุขกันต้องมีคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าที่มาตัดสู้ว่าวิธีการหาความสุขของใจนี้ไม่ได้เป็นการหาความสุขแต่เป็นการหาความทุกข์กัน พราะความสุขที่ได้นั้นเป็นเหมือนเหยื่อที่จะล่อปลาให้ไปติดเบ็ดนั่นเองเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดปลาจะมองไม่เห็นเบ็ดจะเห็นแต่เหยื่อพอเห็นเหยื่อก็คิดว่าเป็นอาหารอนอชุชาก็จะฮุบเหยื่อทันทีพอฮุบเหยื่อเข้าไปแล้วก็จะถูกตะขอเบ็ดเกี่ยวปากแล้วก็จะถูกอ่ ุดลากขึ้นจากเน้นจากน้ำไปขึ้นไปไปสู่หม้อแกงต่อไปอันนี้เช่นเดียวกันความสุขต่างๆที่ใจกำลังหาอยู่นี้เป็นเหมือนความสุขที่เป็นเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดพอไปติดกับการหาความสุขแบบนี้ก็ต้องเจอกับความทุกข์ เพราะว่าเป็นความสุขที่ชั่วคราวนั่นเองเป็นความสุขที่จะต้องมีวันสิ้นสุดลงและเครื่องมือคือร่างกายที่จะใช้ในการหาความสุขแบบนี้ <c oughs> ก็จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสู้ว่านี่ไม่ใช่เป็นวิธีการหาความสุข แต่เป็นวิธีหาความทุกข์กันเพราะว่าสิ่งต่างๆหรือความสุขต่างๆที่ใจได้จากสิ่งต่างๆนี้ล้วนเป็นของชั่วคราวล้วนเป็นไม่ใช่เป็นสมบัติที่แท้จริงของใจได้มาแล้วไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องมีวันพัดภาคจากกันออพระพุทธเจ้าก็เลยสรุปได้ว่า ไม่มีอะไรเป็นของใจไม่มีอะไรที่ใจได้มาแล้วจะสามารถเก็บไว้อยู่กับใจไปได้ตลอดสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ใจจะได้ไว้เป็นสมบัติเพียงชั่วคราวพอถึงเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปสมบัติต่างๆสิ่งต่างๆที่ใจหาผ่านทางร่างกายได้ก็จะต้องหมดไป ใจก็จะต้องไปตัวเปล่าๆต่อไปแล้วก็ไปหาร่างกายอันใหม่เพื่อที่จะได้กลับมาหาสิ่งต่างๆเหมือนกับที่เคยหาในอดีตในชาติก่อนๆแล้วก็ต้องมาทุกข์กับการหาทุกข์กับการกังวลห่วงใยแล้วก็มาทุกข์กับการพัดภาคจากกัน ถ้ารู้แต่เริ่มต้นว่าสิ่งต่างๆที่ใจหาอยู่นี้เป็นสมบัติชั่วคราวไม่ได้เป็นสมบัติที่จะอยู่กับใจไปตลอดความสุขที่ได้จะหมดไปตอนที่สูญเสียสิ่งต่างๆไปแล้วสิ่งที่เข้ามาแทานความสุขก็จะเป็นความทุกข์และทุกข์ตั้งแต่ยังไม่ได้พัดผาาจากกันเพราะ รู้ว่าแม่ช้าก็เร็วก็จะต้องมีการพัดพลาดจากกันก็เลยมีแต่ความห่วงความกังวลความวิตกความกลัวอยู่แบบไม่มีความสุขกันอยู่กับสิ่งที่ให้ความสุขแต่ก็ไปกังวลไปห่วงไปวิตกกับสิ่งที่ให้ความสุขกลัวว่าจะไม่ได้อยู่ไปเรื่อยๆกลัวว่าจะต้องจากกันไปวันใดวันหนึ่ง ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงต้องมาสอนใจที่โง่ใจที่ถูกความหลงความโง่หลอกให้ไปหาสิ่งต่างๆมาให้ความสุขว่าสิ่งต่างๆที่หามาได้นี้ไม่ได้เป็นของใจไม่มีอะไรเป็นของใจได้มาแล้วเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องมีวันจากกันไป คือสรุปคือใจเวลามาอยู่ในโลกนี้ก็มาด้วยตัวเปล่าๆไม่มีอะไรติดกับใจมาแล้วเวลาร่างกายตายไปใจก็ไปตัวเปล่าๆ เ, เหมือนกับตอนที่มาได้มามากน้อยเพียงไรได้เงินทองมามากน้อยเพียงไร ได้ตำแหน่งสูงส่งขนาดไหนได้ยศสูงส่งขนาดไหนได้รางวาัลกี่เหรียญทองได้ความสุขจากการไปเที่ยวไปดื่มไปรับประทานไปดูไปฟังอะไรต่างๆมันก็จะหายไปหมดนี่คือสิ่งที่ชาวพุทธเรากำลังมาศึกษากันมาทำความเข้าใจว่า สิ่งต่างๆที่เรากันหากำลังหากันอยู่ด้วยร่างกายนี้มันจะไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดมันจะไม่ได้เป็นของเราไปตลอดไม่ช้าก็เร็วเรากับมันกับเราก็จะต้องมีการพัดพลาคจากกันไม่จากกันตอนเป็นก็ต้องจากกันตอนตายเวลาเกิดการพัดพลาคจากกันก็เกิดความเศร้าโศกเสียใจ เวลาที่ยังไม่เกิดการพัดพลากจากกันก็เกิดความวิตกกังวลห่วงใ่อันนี้คือเรื่องของการผลิตความทุกข์ของใจด้วยความหลงด้วยความไม่รู้ว่าสิ่งที่ใจคิดว่าเป็นความสุขนั้นความจริงแล้วมันเป็นความทุกข์มันจะให้ความทุกข์กับใจพระพุทธเจ้าจึงสอนให้มาหั ปล่อยวางอย่าไปาอย่ามาหาสิ่งต่างๆที่ไม่ใช่เป็นของเราให้หยุดหาแล้วให้มาหาสิ่งที่เป็นของเราดีกว่าความสุขที่เป็นของเรานี้มีอยู่แต่ไม่มีใครรู้ว่าอยู่ที่ไหนกันมีพระพุทธเจ้าพระองค์แรกเป็นผู้ค้นพบความสุขที่จะเป็นของเราที่จะอยู่กับเราไปตลอด ก็คือความสุขที่มีอยู่ในใจของเรานี่ใจของเรานี้สามารถผลิตความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทั้งปวงยิ่งใหญ่กว่าความสุขที่ได้จากเงินร้อยล้านพันล้านยิ่งใหญ่กว่าความสุขที่ได้จากเป็นนายกเป็นประธานาธิบ Kingdom, ดียิ่งใหญ่กว่าความสุขที่ได้รับรงงางวัลเหรียญทองต่างๆ ยิ่งใหญ่กว่าความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวหรือสถานบันเทิงต่างๆความสุขต่างๆที่หากันอยู่ในโลกนี้สู้ความสุขที่มีอยู่ในใจของพวกเราทุกคนไม่ได้เพียงแต่พวกเราไม่รู้จักว่ามันมีอยู่ในใจของเราและไม่รู้จักวิธีที่จะเข้าถึงมันเท่านั้นเอง เราจึงต้องพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่แหละเป็นผู้ที่จะสอนให้เราเข้าถึงความสุขอันเลิศอันประเสริฐความถูกที่ความสุขที่เป็นของเราเป็นของใจที่จะอยู่กับใจไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันพัดพากจากกันถ้ารู้จักวิธีเข้าถึงความสุขนี้แล้วก็จะสามารถ อยู่กับความสุข น, นั้นได้ไปตลอดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทางร่างกายก็ไม่เป็นอุปสรรคไม่เป็นปัญหาร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็ไม่มีส่วนที่จะมาทำลายความสุขที่มีอยู่ในใจนี้ได้จะสูญเสียอะไรต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นเงินทองจะเป็นตำแหน่งต่างๆ จะเป็นเหรียญรางวัลต่างๆจะเป็นความสุขที่ได้จากทางตาหูจมูกลิ้นกายก็จะไม่มารบกวนไม่มาทำให้ความสุขที่ได้ภายในใจนี้หายไปหรือหมดไปความสุขภายในใจนี้แหละที่เป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่ถาวรเป็นความสุขที่จะอยู่กับใจไปตลอด ผู้ที่ได้ความสุขนี้ก็คือพระพุทธเจ้าและพระอาหันตสาวกนี้เองพระพุทธเจ้าและพระอนันตสาวกทั้งหลายได้เข้าถึงความสุขอันนี้แล้วความสุขที่เป็นบรมมาสุขท่านเรียกว่าปรมังสุขขังท่านกล่าวว่านิบานังปรมังสุขขังนิพานเป็นความสุขอย่างยิ่ง เป็นบรมมาสุขคำว่านิพานก็คือใจที่ได้เข้าถึงความสุขันนี้แล้วนั่นเองเรียกว่านิพานผู้ที่จะเข้าถึงความสุขันนี้ได้ต้องอาศัยคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้มีการสืบทอดมีการรักษาอนุรักษ อากพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายพระอริยสงฆ์สาวกนี้เป็นผู้ที่ศึกษาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วน้อมนำเอาไปปฏิบัติจนสามารถเข้าถึงความสุขอันเลิศอันประเสริฐที่มีอยู่ในใจไดท้ทุกองค์ตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไป พระโสดาบันนี้ก็จะเป็นผู้ที่เริ่มเข้าสู่ความสุขที่มีอยู่ภายในใจเพียงแต่ว่ายังไม่ได้ร้อยเปรซ์ได้หนึ่งในสีของความสุขอันยิ่งใหญ่เพราะว่ายังมีส่วนที่ยังเข้าไปไม่ถึงอยู่ยังมีมีด่านขวางกั้นอยู่ที่จะต้องฟันฝ่าที่จะต้องทาลาย พอฟันฝ่าด่านที่ขวางกั้นได้อยู่ก็จะได้ความสุขเพิ่มขึ้นไปตามลำดับจากขั้นที่หนึ่งก็จะไปสู่ขั้นที่สองความสุขก็จะเพิ่มมากขึ้นไปจากร้อยละยี่ห้าก็เป็นร้อยละห้าสิบจากร้อยละห้าสิบก็เป็นร้อยละเจ็ดสิบห้ากลายเป็นร้อยละเต็มร้อยตามลำดับต่อไป ตามกําลังของการปฏิบัติการปฏิบัตินี้จะเป็นการปฏิบัติแบบเป็นขั้นเป็นตอนผลที่จะได้รับนี่จะเป็นแบบขั้นตอนเหมือนการการศึกษาเรื่มเรียนหนังสือก็เป็นการ เ, าเรียนตามขั้นตอนขั้นประถมแล้วขั้นมัธยมอย่างนั้นก็ขั้นอุดมศึกษาขั้นปริญญาตรี โทเอกขึ้นไปเป็นขั้นๆการปฏิบัติเพื่อเข้าสู่ความสุขที่มีอยู่ในใจนี้ก็เป็นการปฏิบัติเป็นขั้นๆไปเราจึงมีพระอริยะบุคคลอยู่สี่ระดับด้วยกันแต่ไม่ว่าจะเป็นพระอริยะบุคคลระดับไหนก็ตามจะสามารถรู้วิธีที่จะเข้าถึง ความสุขอันเลิศประเสริฐที่มีอยู่ในใจนี้ได้ทุกทุกพระองค์สามารถที่จะสอนคนได้ตั้งแต่เป็นพระโสดาบันขึ้นไปแล้วนี้จะรู้จากวิธีเข้าหาความสุขที่เลิศที่ประเสริฐที่มีอยู่ในใจแล้วก็จะทำให้ผู้อื่นนี้สามารถเข้าถึงความสุขอันนี้ได้ ถ้าเป็นปุถุชนเหมือนพวกเรานี้เรายังไม่สามารถเข้าถึงความสุข น, นี้ได้เพราะว่าเรายังไม่ได้ปฏิบัติกำจัดอุปสรรคที่ขวางกัน้นการเข้าสู่ความสุขที่มีอยู่ในใจของเรานี้เองแต่ถ้าเราศึกษาวิธีกำจัดอุปสรรคต่างๆแล้วเรานำเอาไปปฏิบัติ เราก็จะสามารถที่จะกำจัดอุปสรรคต่างๆที่ขวางกัน้นการเข้าสู่การหาเข้าสู่ความสุขอันเลิศอันประเสริฐที่มีอยู่ภายในใจของเราได้ดังนั้นถ้าเราอยากจะให้ศาสนาของเรานี้อยู่ไปนานๆเราก็ต้องมาช่วยกันผลิตพระอริยบุคคลกันทุกคนต้องมา ผลิตพระอริยบุคคลของใครของมันไม่มีใครมาผลิตอริยบุคคลให้กับคนอื่นได้ถ้าทําได้พระพุทธเจ้าก็จะมาผลิตให้พวกเราเป็นพระอรหันต์กันทุกคนแต่พระพุทธเจ้าไม่สามารถมาผลิตให้พวกเราเป็นพระอรหันต์กันได้ทําได้เพียงแต่สอนวิธีผลิตพระอรหันต์ให้กับพวกเรา ไปผลิตกันเองพอพอเราได้ศึกษาวิธีผลิผลตผ้าอารหันแล้วเราก็น้อมนําเอาไปปฏิบัติพอเราน้อมนําเอาไปปฏิบัติแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้ผลิตผ้าอริยบุคคลต่างๆขึ้นมาแล้วเราก็จะเป็นผู้ที่จะสามารถนําเอาวิธีสร้างผ้าอริยบุคคล ไปเผยแพร่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นต่อไปได้แล้วผู้อื่นพอได้ศึกษาได้ปฏิบัติก็จะได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลต่อไปการกระทาเหล่านี้จะทำให้ศาสนาของเรามีพระอริยบุคคลมารักษาพระพุทธศาสนาให้อยู่เป็นที่พึ่งของโลกไปได้นา น, าน ศาสนานี้เป็นที่พึ่งที่คำสอนที่ออกจากป้าอรยยะบุคคลไม่ใช่ท่าวรรวัตุต่างๆทาวรลวัตุคือวัดวาอารามและวัตถุต่างๆที่มีอยู่ในวัดไม่ว่าจะเป็นโบสถ์เป็นเจดีย์เป็นกุฏิเป็นวิหารเป็นอะไรก็ตามสิ่งเหล่านี้ ไม่สามารถที่จะมาสอนให้พวกเรานี้เป็นพระอริยบุคคลได้ต้องมีพระอริยบุคคลมาสอนนะการมีพระอริยบุคคลนี้ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีโบสถ์มีเจดีย์มีวัดวาอารามอะไรก็ดูสมัยที่พระพุทธเจ้าตัดสั้เป็นพระอรหันต ตาสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นมาสมัยนั้นมีโบสถมีเจดีย์ที่ไหนมีวัดมีอะไรที่ไหนไม่มีมีต้นไม้เช่นต้นโพเนี่ยเป็นที่ประทับเป็นที่สร้างพร ะ, ะอริยบุคคลเป็นที่สร้างพระอรหันตสาวกขึ้นมาวัดหรือที่ผลิตพระอริยบุคคลก็คือที่สงบนี้เองที่สงบวิเวก ที่ห่างที่อยู่ห่างไกลจากแสงสีเสียงต่างๆที่จะมาคอยรบกวนใจมาเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงความสุขที่มีอยู่ในใจพระพุทธเจ้าจึงต้องไปแสวงหาที่สงบสงัดวิเวกอยู่ตามป่าตามเขาอยู่ตามโคนไม้อยู่ตามเรือนร้าง หรืออยู่ตามป่าช้าสถานที่เหล่านั้นเป็นที่เหมาะต่อการผลิตพระอาริยบุคคลเพราะสถานที่เหล่านั้นจะไม่มีคนไปพลุกพล่าดไม่มีคนไปรบกวนนั่นเองไม่มีคนไปร้องล้ำทำเพลงไม่มีคนไปจัดงานเลี้ยงงานกินงา น, งานดื่มงานดูงานฟังอะไรต่างๆเป็นสถานที่เอื้อต่อการสร้างพระอาริยบุคคล นั่นแหละคือฐาน ว, าวัลวัตถุหรือวัดของพระพุทธศาสนามาแต่ตั้งเดิมก็คือป่าเขาลำเนาลำเนาพรานี้เองพระพุทธเจ้าตัดสรุในวัดของพระพุทธศาสนาคือวัดที่เป็นธรรมชาตินี่วัดของธรรมชาติวัดของป่าของเขาเพราะเป็นวัดที่สงบที่เอื้อต่อการเข้าถึงความสุขที่มีอยู่ในใจ พอไม่มีอะไรจะดึงดูดใจออกไปข้างนอกนั่นเองถ้าไปอยู่ใกล้กับรูปเสียงกลิ่นรสแสงสีเสียงสิ่งเหล่านี้จะคอยดึงดูดใจให้ออกไปข้างนอกพอได้ยินเสียงเพลงก็อยากจะฟังพอได้สัมผัสกับกลิ่นกับรสก็อยากจะรับประทานใจแทนที่จะเข้าหาความสุขภายในก็จะถูก หลอกให้ออกไปหาความสุขภายนอกแต่ถ้าไปอยู่ในที่ที่ห่างไกลจากแสงสีเสียงห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสผธพระก็จะไม่มีอะไรมาคอยดูดใจให้ออกไปข้างนอกแต่ก็ยังมีสิ่งที่จะคอยดันให้ออกไปข้างนอกอยู่ก็คือความอยากที่เคยที่เคยอยากกับสิ่งต่าง ที่ยังไม่ได้รับการดูแลไม่ได้รับการควบคุมคันต้นนี้ต้องพยายามปิดสิ่งที่จะมาดึงใจให้ออกไปข้างนอกคือต้องปิดตาหูจมูกดินกายหรือต้องไปอยู่ที่ห่างกกลจากรูปเสียงกลิ่นรสผล พ, พะที่จะคอยดึงดูดใจให้ออกไปหารูปเสียงกลิ่นรสกันเช่นไปอยู่ตามป่าตามเขา พอไปอยู่ในสถานที่สงบสงัดมิเวกแล้วขั้นต่อไปก็ต้องมาคอยหยุดตัวที่คอยผลักดันให้จิตกลับไปหารูปเสียงกลิ่นนสดก็คือกามฉันทะนี่เองกามฉันทะก็คือความยินดีในรูปเสียงกลิ่นนสดที่มันมีอยู่ฝังอยู่ในใจมาจนเป็นนิสัยนิสัยของใจ ที่เป็นปุถุชนนี้จะมีความยินดีกับรูปเสียงกลิ่นรสจะคิดถึงแต่รูปเสียงกลิ่นรสคิดถึงรูปนั้นเสียงนี้คิดอยากจะไปหาคนนั้นหาคนนี้คิดอยากจะไปดูไปฟังคิดอยากจะไปรับประทานไปดื่มอะไรต่างๆสิ่งเหล่านี้เรียกว่ากามฉันทะความยินดีที่เกิดจากความคิดปรุงแต่งของใจ ใจนี้จะมักจะคิดถึงเรื่องราวเหล่านี้เพราะเคยกับการหาสิ่งเหล่านี้มาจนฝังเป็นนิสัยไม่รู้จักวิธีหาความสุขแบบอื่นรู้จักวิธีหาความสุขจากการหารูปเสียงกลิ่นรสใจก็จะคอยคิดที่จะไปหารูปเสียงกลิ่นรสอยู่เรื่อยๆถ้าไม่ต้องการให้ใจออกไปหารูปเสียงกลิ่นรสก็จาเป็นที่จะต้องมา หยุดความคิดเหล่านี้ให้ได้การที่จะหยุดความคิดเหล่านี้ใจต้องมีสติเพราะสติก็เป็นเหมือนเครื่องหยุดความคิดของใจนั่นเองถ้าใจมีสติเวลาคิดอะไรใจก็สั่งให้มันหยุดคิดได้เหมือนกับรถที่มีเบรกเวลาต้องการให้รถหยุดเมื่อไหร่ก็สามารถใช้เบรกหยุดรถได้แต่ถ้าสัก เวลาอยากจะให้หยุดรถแล้วเหยียบเบรกแล้วรถไม่หยุดก็แสดงว่าเบรกไม่ดีเมื่อเบรกไม่ดีก็ต้องเข้าอู่เข้าไปซ่อมเบรกไปเสริมเบรกหรือไปเปลี่ยนเบรกฉันใดเวลาที่เกิดความคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรถเกิดกามาชั้นท่าเกิดความอยากในรูปเสียงกลิ่นรถขึ้นมาแล้วสติสั่งให้หยุดแต่มันไม่ยอมหยุด ก็แสดงว่าสติยังไม่มีกำลังพอไม่สามารถหยุดความคิดที่จะไปหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆได้เมื่อเช่นนั้นก็จำเป็นที่จะต้องมาสร้างสติกันมาฝึกสติกันมาเพิ่มกำลังของสติกันวิธีที่จะเพิ่มกำลังของสติก็ต้องอาศัยเครื่องมือที่จะสร้างสติเครื่องมือที่สร้างสตินี้เราเรียกว่ากรรมาฐาน กรรมฐานนี้มีอยู่สี่สิบชนิดด้วยกันเป็นเครื่องมือชนิดต่างๆที่จะมาเสริมกำลังของสติให้มีมากขึ้นแต่เราไม่จาเป็นที่จะต้องใช้ทั้งสี่สิบชนิดด้วยกันเราเลือกเพียงชนิดใดชนิดหนึ่งก็สามารถที่จะใช้ได้ พอเราไม่ได้ใช้เครื่องมือทั้ง40ชนิดพร้อมๆกันเวลาเราใช้เครื่องมือมาเสริมสตินี้เราใช้อย่างเดียวเช่นถ้าเราใช้คำบริกรรมพุทธโธพุทธโธนี้เราก็เรียกว่าเราใช้พุทธานุสติมาเป็นเครื่องเสริมสติของเราถ้าเราบริกรรมพุทธโธพุทธโธเราก็จะสามารถกันหรือห้ามป้องกันไม่ให้เราไปคิด ถึงรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆได้นั่นเองเช่นพอเราคิดว่าคิดอยากจะไปดูไปฟังอะไรไปดื่มไปรับประทานอะไรถ้าเราต้องการหยุดความคิดนี้แล้วเราหยุดมันไม่ได้สั่งให้มันหยุดไม่ได้เราก็ต้องอาศัยการเจริญกรรมฐานอาศัยการเจริญสตินี่เองอาศัยพุทธานุสติทําไมถึงใช้พุทธานุสติเพราะมันง่ายที่สุดเนี่ย เด็กก็ยังพูดได้บริกรรมพุทโธพุทโธได้ทำไมผู้ใหญ่อย่างพวกเราทำไมจะบริกรรมพุทโธกันไม่ได้ถ้าจะเอาจริงๆจังๆทำไมจะเอาไม่ได้ปีนภูเขายังปีนกันได้เลยแล้วเพียงแต่ให้บริกรรมพุทโธพุทโธคำเดียวทำไมจะทำไม่ได้ปัญหาก็คือเรามันไม่ค่อยเชื่อเท่านั้นเองไม่ค่อยเชื่อว่าการบริกรรมพุทโธพุทโธนี้จะมา หยุดความคิดต่างๆที่เราคิดได้จะมาให้เราเข้าไปสู่ความสุขได้ความสุขที่มีอยู่ในใจได้ถ้าเราเชื่อแล้วก็เราลองทำอย่างจริงๆงจังๆมันไม่ยากเย็นตรงไหนดอกคำบริกรรมพุทธโธลองนั่งบริกรรมพุทธโธไปดูเลยนาทีหนึ่งทำได้ไหมพุทธโธพุทธโธพุทธโธพุทโธไปมันง่ายยิ่งกว่าไปแบกบข้าวแบกบของไปแบกบอะไรต่างๆให้เหนื่อย เพงแต่บริกรรมพุทโธพุทโธไปเท่านั้นถ้าพุทโธพุทโธไปได้หนึ่งาทีความคิดที่อยากจะไปดื่มไปดูไปฟังอะไรมันจะหายไปทันทีแล้วทุกครั้งเวลาที่มันคิดเราก็ใช้พุทโธอย่างนี้ตอบทําไปเรื่อยๆเหมือนรถเน่ยเวลาที่มันจะวิ่งแล้วเราต้องการให้มันหยุดเราก็เหยียบเบรกเนีพอเราเหยียบเบรกมันก็หยุดพอเราปล่อยให้มันวิ่ง พอเราต้องการให้มันหยุดเราก็เหยียบเบรคเองความคิดของเราก็เป็นเหมือนรถยนต์ที่วิ่งอยู่นี่แหละเราก็เวลาที่เราไม่เหยียบเบรเวลาที่เราไม่พุโทโธก็เท่ากับเราปล่อยให้มันคิดถ้ามันไม่คิดไปในทางที่จะทำให้ใจเราออกข้างนอกเราก็ไม่ต้องหยุดมันแต่ถ้ามันคิดให้ใจเราออกไปหารูปเสียงกลิ่นรสเราก็ต้องหยุดมันเพราะเราไม่ต้องการออกไปหาความสุข แบบนั้นอีกแล้วเพราะความสุขแบบนั้นมันเป็นเหมือนเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดหรือเหมือนเหมือนเหมือนน้ำพึ่งที่ที่ที่อาบใบมีดโกนไว้ถ้าไปเลียน้ำพึ่งที่อาบใบมีดโกนเดี๋ยวก็ถูกใบมีดโกนาบาดปากได้ถ้าไปฮุบเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดก็จะถูกเหยื่อ ถุกเหยื่เกี่ยวได้ถุกเบ็ดเกี่ยวได้สูมาหาความสุขแบบที่ไม่มีเบ็ดไม่มีใบมีดโกนมาบาดดีกว่าก็คือการเข้าหาความสุขภายในยนั้นเราลองมาฝึกเจริญสติกันดูมาหัดสร้างเครื่องมืออันนี้ดูถ้าเรามีเครื่องมืออันนี้แล้วเวลาที่เราต้องการให้ใจเข้าข้างใน ขั้นแรกเราก็เอาร่างกายเราไปอยู่ที่ห่างไกลจากแสงสีเสียงห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆที่จะคอยดูดใจเราให้ออกข้างนอกเช่นไปอยู่ตามป่าตามเขาสถานที่วิเวกถ้ากายวิเวกแล้วจิตก็จะวิเวกง่ายจิตกายวิเวกก็คือกายสงบห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสจิตก็จะสงบง่าย แต่ก็ยังไม่สงบได้เพราะยังมีกามฉันทะมีความอยากที่จะดันใจให้ออกไปหารูปเสียงกลิ่นรสอยู่พอใจคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสก็ต้องใช้สติมาหยุดมันถ้าสติหยุดไม่ได้ก็ต้องใช้กรรมฐานใช้การบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปแล้วความคิดที่จะไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสก็จะหยุดไป ถ้าเราฝึกพุทธโธพุทธโธอย่างนี้ไปเรื่อยๆต่อไปเวลาใ จ, จอยากจะคิดไปหารูปเสียงกลิ่นดนเราก็จะใช้สติหยุดมันได้โดยไม่ต้องพุทธโธเพียงแต่รู้ว่าเอเรากำลังคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสตอนนี้เราต้องหยุดคิดถ้ามีสติมันก็จะหยุดคิดได้ถ้าเราฝึกบริกรรมพุทธโธพุทธโธไปเรื่อยๆ ต่อไปเราไม่ต้องใช้คำบริกรรมพุทโธนะคำบริกรรมพุทโธนี้เป็นวิธีฝึกจิตให้หยุดคิดนั่นเองพอจิตหยุดคิดเป็นแล้วต่อไปเวลาต้องการจะหยุดคิดก็หยุดเองได้โดยที่ไม่ต้องใช้คำบริกรรมพุทโธคำบริกรรมพุทโธก็เหมือนกับห่วงยางที่คนว่ายน้ำไม่เป็นอาศัยหัดว่ายน้ำตอนต้นหัดว่ายน้ำไม่เป็นก็หาห่วงยางมา สวมใส่แล้วก็ว่ายน้ำไปกับห่วงยางต่อไปพอว่ายเป็นแล้วทีนี้ก็ไม่ต้องใช้ห่วงยางอันนี้ก็เหมือนกันตอนที่เราไม่มีสติเราก็ต้องอาศัยกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นคำบริกรรมพุทโธพุทโธมาสร้างสติให้กับใจของเราให้เราหยุดคิดให้ได้พอต่อไปเราหยุดคิดได้แล้ว เราก็ไม่ต้องใช้คำบาลรรมพุทธโธพุทธโธพอรู้ว่าตอนนี้กำลังคิดถึงการมฉันทะอยู่ก็บอกอหยุดดีกว่าไปหารูปเสียงกลิ่นรสแล้ ว, ลวเดี๋ยวต้องน้าตาตกในเดี๋ยวจะต้องตุกตะขอเบ็ดเกี่ยวปากเดี๋ยวจะต้องเศร้าโศกเสียใจพอพอรู้ว่าไม่ควรไปก็หยุดคิดได้พอหยุดคิดใจก็ไม่ออกข้างนอกใจก็จะอยู่ข้างใน ใจก็จะพบกับความสุขที่มีอยู่ภายในใจที่เป็นความสุขที่จะให้ความอิ่มความพอถ้าลองได้เข้าถึงความสุขอันนี้แล้วต่อไปความอยากต่างๆมันจะหมดกำลังไปมันจะสู้ความสงบไม่ได้สู้ความสุขที่ได้จากความสงบไม่ได้หรือเวลามันจะไปเราก็ดึงมันกลับมาถ้าเรามีสติเรารู้ว่า การไปหารูปเสียงกลิ่นรสนี้เป็นการไปหาความทุกข์เราก็ใช้สติดึงมันกลับมาหยุดมันอย่าปล่อยอย่าปล่อยให้มันไปพอเราทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วต่อไปความอยากที่จะออกไปหาความสุขภายนอกใจมันก็จะยุติลงมันก็จะหมดแล้วใจก็ไม่ต้องไปดิ้นรนไปหาความสุขต่างๆเหมือนที่คอยหาะ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 เมื่อไม่ต้องการไม่ต้องมีลาบยศสัรเสริญไม่ต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสก็จะไม่มีความทุกข์ตามมาอีกต่อไปไม่มีความวิตกกังวลไม่มีความห่วงใยไม่ีความหวงไม่มีความหึงหวงไม่มีความเสียใจเวลาที่เกิดการสูญเสียเกิดการพัดภาคจากสิ่งต่างๆที่ได้มาไปใจก็จะไม่มีความทุกข์อีกต่อไป จะมีแต่ความสุขอยู่ภายในใจไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดเหมือนใจของพระพุทธเจ้าละใจของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายใจของพุทธเจ้านี้มีความสุขแบบนี้มาสองพันร้อยกว่าปีแล้วและก็จะมีอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพราะว่าใจของพระพุทธเจ้านี้ไม่มีความหิวไม่มีความอยากที่จะได้ความสุขในรูปแบบอื่น เหมือนแบบที่เคยเมื่อก่อนก่อนที่จะได้พบกับความสุขแบบนี้ใจของมบะพธเจ้าก็ต้องไปหาร่างกายใหม่อยู่เรื่อยๆพอร่างกายเก่าตายไปก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่พอได้ร่างกายอันใหม่ก็ต้องวุ่นวายกับการหาวุ่นวายกับการรักษาแล้วก็ต้องมาเสียอกเสียใจมาเศร้าโศกเสียใจ เวลาที่เกิดการสูญเสียเกิดการพัดพลากจากสิ่ ง, งต่างๆไปแตใจของพระเจ้าพระใจของพระอรหันตสาวกทั้งหลายตอนนี้ไม่เป็นอย่างนั้นอีกแล้วตอนนี้ใจของท่านมีแต่ความสุขตลอดเวลาไม่ต้องไปหาร่างกายอันใหม่ไม่ต้องไปหาราบยศสรรเสริญไม่ต้องไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอีกแล้วแล้วก็ไม่ต้องมาทุกข์กับการสูญเสียการพัดพลาด การสิ้นสุดของสิ่งต่างๆที่หามาได้ใจของพวกเราก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันถ้าเราปฏิบัติตามที่พระเจ้าทรงสอนได้ลองหัดไปปลีกวิเวกไปอยู่ฮะที่สงบอยู่ที่ห่างไกลจากแสงสีเสียงแล้วก็คอยควบคุมความคิดอย่าให้คิดไปหาราบยศจราเสิริญอย่าให้ไปคิดหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย พอไม่คิดหยุดความอยากได้ใจก็จะนิ่งจะสงบแล้วก็จะเกิดความสุขที่มีอยู่ภายในใจนี้ขึ้นมาแล้วพอได้ความสุขนี้ก็จะสามารถรักษาความสุขนี้ให้อยู่กับใจไปได้ตลอดถ้ามีสติคอยหยุดความอยากถ้ามีปัญญาคอยสอนว่าการไปหาสิ่งต่างๆด้วยความอยากนี้จะต้องไปเจอความทุกข์ต่อไป ถ้ามีสองอย่างนี้แล้วก็จะสามารถคุ้มครองรักษาใจให้อยู่ภายในไปได้ตลอดใจก็จะไม่มีความทุกข์กับสิ่งต่างๆอีกต่อไปแล้วก็จะสามารถเอาความรู้ความสามารถอันนี้มาสั่งสอนให้กับผู้อื่นต่อไปได้ถ้าพวกเราทุกคนปฏิบัติตามที่พระเจ้าสงสอนได้ พวกเรานี้จะกลายเป็นพระสาวกกันเป็นพระอริยบุคคลกันแล้วเราก็จะสามารถไปสั่งสอนผู้อื่นให้กระทาแบบที่เรากระทากันอันนี้เราก็จะมีพระพุทธศาสนาอยู่คู่กับโลกไปนานๆเป็นที่พึ่งของโลกไปนานๆ ไม่ต้องมีวัดก็ได้ไม่ต้องมีศาลาไม่ต้องมีโบสถ์ก็ได้มีที่หลบแดดหลบฝนได้มีที่หากินได้ก็พอบอมีที่กินที่นอนก็พอเพียงแล้วไม่จําเป็นที่จะต้องมีวัดวาอารามแบบวิจิตพิสดารสร้างโบสถ์ใหญ่โตมาโหรานสร้าง เจดีสร้างพระพุทธรูปโมโหลานสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถสอนให้เรากำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดไปได้ไม่สามารถสอนให้เราเข้าถึงความสุขที่มีอยู่ภายในใจของเราได้สิ่งที่จะสอนเราได้ก็คือพระอริยบุคคลนะนั้นเราอย่าหลงทางถ้าเราไปสร้างวัดสร้างวัตถุนี้เรากำลังหลงทาง เราต้องมาสร้างพระอริยบุคคลกันด้วยการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อศึกษาแล้วเราก็น้อมนำเอาไปปฏิบัติเมื่อเราปฏิบัติแล้วเราก็จะบรรลุเป็นพระอริยบุคคลกัน พอเราเป็นพระอริยบุคคลแล้วเราก็จะสามารถสอนให้ผู้อื่นเป็นพระอริยบุคคลต่อไปได้สอนให้ผู้อื่นกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเขาให้หมดสิ้นไปได้ให้เขามีแต่ความสุขไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดได้ถ้าทำอย่างนี้แล้วรับรองได้ว่าพุทธศาสนาจะอยู่กับโลกนี้ไปนานๆ และยากก็ต่อผู้ที่ไม่หวังดีที่จะมาคิดทำลายพระพุทธศาสนาเพราะเขาจะไม่รู้ว่าใครเป็นพระอริยบุคคลเขาต้องฆ่าคนทั้งหมดถึงจะสามารถที่จะทำลายพระพุทธศาสนาได้แต่คนเราก็ไม่อยู่กระจุกในที่เดียวคนเราก็กระจายกันอยู่ไปทั่วทุกแห่งทุกคนไม่มีทางที่จะทำลายศาสนาพุทธได้ ถ้ามีพระอริยบุคคลอยู่ในโลกนี้แต่ถ้ามีถาวราวัตถุเช่นวัดวาอารามนี้เขาสามารถทำลายได้มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่โตเขาสามารถระเบิดทิ้งได้แต่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นศาสนาไม่ใช่เป็นตัวของศาสนาเป็นเพียงของ ของแถมของศาสนามีก็ได้ไม่มีก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรสิ่งที่ต้องมีก็คือต้องมีพระอริยบุคคลที่จะมานําเอาพระธรรมคําคสอนอันประเสริฐมาเผยแผ่ให้แก่ผู้ที่ไม่รู้อันนี้แหละคือเรื่องของศาสนาที่เราต้องการจะอนุรักษ์กันขอให้เรามาอนุรักษ์ด้วยการสร้างพระอริยบุคคลกัน สร้างด้วยการศึกษาด้วยการปฏิบัติกันสร้างที่ตัวเราก่อนอย่าไปสร้างที่ผู้อื่นเราสร้างพระอริยบุคคลในผู้อื่นไม่ได้เราต้องสร้างพระอริยบุคคลในตัวเราเมื่อเราเป็นพระอริยบุคคลแล้วเราก็สอนให้ผู้อื่นสร้างให้ตัวเขาเป็นพระอริยบุคคลได้นะครับแล้ว like ต่อไปศาสนาของเราก็จะอยู่คู่กับโลกนี้ไปได้เป็นเวลาอันยาวนาน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 ยะถาวาริวหาปุราปิริปุเรนติสาคหลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอ an ุปปักปติอิช um ิตังปติตังตุมหังคิปเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปันะระโสยะามณิโชติอระโสยะาสัพพิตโยวิวาจันโตสัพพะโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตาราโยสุขีทีขายุโกภวะ พิวาทนาสีลิตะนิจังวุธาปจายโนจตารโธรมาวะทานติอายุวนันโสุขังภาลังวันนี้เข้ามาท่างไรครับผมวันนี้ทางเฟซบุ๊กเข้ามาทั้งหมดสองร้อสี่สิสามท่าน ยูทู u b e 207ท่านวิทยุออนไลน์ย1ท่านเพื่อฟังบนเขา145่สห้าท่านรวมทั้งหมด616สิ online, ท่านครับผมช่วงนี้เป็นช่วงถามตอบปัญหาใครมีคำถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยช่วงถามไปจนถึงเวลาที่เราเลิกประชุมหลังจากเลิกประชุมแล้วจะไม่มีถาม หลังใหม่นะต้องถามหน้าใหม่ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาถ้าใครอยากจะถามก็ยกมือขึ้นจะส่งใหม่ไปให้ถ้ายังไม่มีก็เอาคำถามจากทางบ้านก่อนมีคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะ น้อมกราบพระอาจารย์ด้วยเสียงกล้าวขอถามและขอเล่าประสบการณ์โยมภาวนาพุทโธมาสิบกว่าปีแล้วเวลาจะสงบจะรู้สึกเหมือนหัวตัวเองเหมือนจรวดหรือสกรูหรือลูกปืนและอื่นๆคล้ายๆกันประมาณนี้เป็นประจำแล้วจะจบตรงเห็นพบแสงสว่างนวลๆเย็นๆ สบายๆ ย, ยิ่งนักมีความสุขเหลือเกินบรรยายไม่ถูกและเห็นสิ่งหนึ่งที่ไม่สามารถบรรยายได้เห็นเฉยๆไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจากที่เห็นมหัศจรรย์เป็นเช่นนั้นทุกครั้งที่จิตสงบขอถามนะคะอาการเช่นนี้ยมเข้าใจว่าคือความสงบมีสมาธิเมื่อออกจากสมาธิจะรู้สึกมีความสุขยิ่งนัก มองอะไรก็สวยสวยดีมีใจดีตลอดวันหรือทุกครั้งที่คิดยมคิดถูกต้องไหมคะถูกต้องแล้วละ่ะถ้ามีความสุขก็ใช้ได้ถ้าไม่ถูกยมควรจับปฏิบัติแก้ไขอย่างไรคะยมฟังธรรมของพระอาจารย์ทุกวันคะ่ะกราบขอบพระคุณยิ่งคะ่ะก็พยายามรักษาความสุขนี้หลังจากที่ออกสมาธิไปถ้าจะมีกิเลสมา ทำลายความสุขก็ต้องใช้ปัญญาคอยกบจัดกิเลสกิเลสจะมาหลอกให้เราไปกังวลกับเรื่องนั้นกับคนนี้กับสิ่งนั้นสิ่งนี้เราก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เขาไม่แน่นอนเขาต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของเขาเราไปกังวลก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงอะไรก็ปล่อยเขาเป็นไปตามเรื่องของเขาเขาจะเป็นก็เป็นเขาจะตายก็ตาย อันนี้เราห้ามไม่ได้ช่วยไม่ไดอ้อันคิดอย่างนี้แล้วความสงบหรือความสุขก็ยังจะอยู่ต่อไปได้คําถามจากคุณศีลสมาธิปัญญาการยานามิตรเราทําอย่างไรถึงจะรู้ว่าการกําหนดรูปนามถึงฐานของจิตเจ้าคะ อ, อ๋อมันกําหนดรูปนามไปถึงฐานไม่ได้หรอต้องกําหนดพุโทโธหรือกําหนดดูลมหายใจเข้าออก ต้องหยุดความคิดปรุงแต่ ง, งต่างๆยันต้องใช้ลมหายใจหรือใช้พุทโธหรือใช้กรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ให้เพ่งให้เกาะติดอยู่กับกรรมฐานนั้นไปเรื่อยๆแล้วจิตก็จะเข้าสู่ความสงบเข้าสู่ฐานต่อไปได้คำถามจากคุณชาตินีโชคดีที่สุดแล้ว ฝึกดูเวทนาทางกายตอนที่ใจไปจับความเจ็บความเจ็บกลับทวีคูณจนทนไม่ไหวแต่พอเอาใจเป็นผู้ดูความไม่เที่ยงของความเจ็บเช่นเบาแรงหายไปมาใหม่ใจไม่ทุกข์ฝึกแบบหลังนี้ไปเรื่อยๆและใช้ดูตอนเราเจ็บมากๆได้ไหมคะ ได้ถูกต้องแล้วให้ดูเฉยๆอย่าไปอยากให้เขาหายอย่าไปอยากให้เขา <c oughs> เปลี่ยนไปถ้าไปอยากเราจะทําให้ใจทุกข์ขึ้นมาถ้าดูเฉยๆแล้วใจจะไม่ทุกข์ใจจะเย็นจะสบายไม่เดือดร้อนกับความเจ็บของทางร่างกายไม่ว่าจะเจ็บมากเพียงไรก็ตามถ้าเรารักษาใจให้เฉยๆได้ถ้าไม่ยอมเฉยก็ใช้คําบริกรรมพุทโธช่วยก็ได้ คำถามจากคุณต้ามแปศน์หนึ่งไปเที่ยวก็สนุกแต่เหนื่อยอยู่บ้านนานๆก็เบื่อเดินจงกรมนานๆก็เบื่อเหมือนกันจะแก้เบื่อได้อย่างไรคะเพราะว่าเดินหรือทำอะไรไม่ได้ทำด้วยสตินั่นเองถ้าเดินจงกรมด้วยสติใจจะสงบแล้วจะไม่เบื่อที่เบื่อเพราะว่าใจยังไม่สงบ งั้นเวลาเดินจงกรมหรือเวลานั่งสมาธิอย่าเดินเฉยๆนั่งเฉยๆโดยไม่มีสติต้องมีสติคอยกํากับใจเช่นมีพุทโธพุทโธกํากับไปหรือถ้านั่งก็มีลมหายใจดูลมหายใจไปถ้าเดินก็ดูเท้าไปซ้ายขวาซ้ายขวาไปหรือพุทโธพุทโธไปกับการเดินอย่าปล่อยให้ใจคิดถ้าคิดแล้วมันจะเบื่อถ้าไม่คิดแล้วจะไม่เบื่อ หม ด, หมดแล้วเลยใจนี่แหละเป็นผู้ผลิตความเบื่อความอยากเวลาไม่ได้ก็อยากได้พอได้มาแล้วก็เบื่อเห็นไหมเบื่อแล้วก็อยากจะหาอย่างใหม่พอได้อย่างใหม่มาเดี๋ยวก็เบื่ออีกก็เป็นอย่างนี้ไปเป็นธรรมชาติของใจเนี่เราต้องหยุดความอยากความต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้ แล้วต่อไปมันจะไม่เบื่อถ้าให้มันอยู่กับความว่างอยู่กับความสงบนี่จะไม่มีวันเบื่อเพราะความว่างความสงบนี่เป็นรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงรถ อ, อย่างอื่นนี้วิเศษขนาดไหนเดี๋ยวก็เบื่อลองกินอาหารที่จานโปรดดสูสักเดือนหนึ่งดูเลยกินวันละสามมือกินอาหารจานโปรดนั้นอย่างเดียวเดี๋ยววันหนึ่งมันจะต้องเบื่ อ, อ มันจะไม่อยากกินอีกต่อไปไมเพราะนี่คือสิ่งต่างๆในโลกนี้มันเป็นความสุขชั่วคราวพอได้มันมานานๆซ้ำซาก จ, จําเจมันก็เลยเกิดความเบื่อขึ้นมาแต่ถ้าเราทำใจให้ว่างให้สงบนี้จะไม่มีวันเบือ่อความว่างนี้มันมันเป็นลถแห่งธรรมที่ไม่มีทำให้เราเกิดความเบือ่อ ว่ามันเป็นเหมือนของใหม่อยู่เรื่อยๆเป็นของใหม่เอี่มสดๆร้อนๆฉนั้นพยายามมาหาความสุขจากความว่างความสงบกันดีกว่าอย่าไปหาความสุขจากสิ่งนั้นสิ่งนี้บุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องเบือ่อเวลาอยู่ห่างเขาก็อยากจะพบเขาพอพบได้สองสามวันก็อยากจะไปแล้วเบื่อแล้ว จิตมันชอบหลอกเราหลอกให้เราคิดว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนี้ดีพอได้มาแล้วไม่กี่วันก็เบื่อแล้วอย่าอย่าไปหาเลยหาได้เท่าไหร่ก็เบื่อมาหาความว่างหาความสงบในใจดีกว่าที่จะไม่มีวันเบื่อที่จะทำให้เรามีความสุขไปตลอดเวลามีคำถามเข้ามาไหม มีคำถามจากคุณสายไหมพระอาจารย์เจ้าคะจะหยุดจิตที่ชอบคิดปรุงแต่งอย่างไงคะชอบคิดปรุงแต่งอยากหาทางแก้ไขคะ่ะก็ถ้าเรารู้ว่ามันคิดปรุงแต่งแล้วเราหยุดมันไม่ได้ก็แสดงว่าสติเราไม่มีกําลังเหมือนรถที่เราต้องการให้มันหยุดแล้วมันเหยียบเบรกแล้วมันไม่หยุดก็แสดงว่าเบรกไม่ดี เราก็ต้องเอารถเข้าอู่ไปเปลี่ยนเบรกไปทำเบรกใจของเราก็เหมือนกันสติของเราเป็นเครื่องหยุดความคิดถ้าเรารู้ว่าเรากําลังคิดแล้วเราสั่งให้มันหยุดคิดไม่ได้ก็แสดงว่าสติเราไม่มีกําลังพอพอไม่มีกําลังที่จะหยุดความคิดได้เราก็ต้องไปเสริมสติการเสริมสติก็คือให้เราใช้กรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งกรรมฐานดี40 แต่ที่ใช้ง่ายที่สุดสะดวกที่สุดพกพาไปได้ทุกแห่งทุกขนก็คือพุทโธพุทโธใช้กรรมบริกรรมพุทโธพุทโธไปพอมันคิดเราก็ใช้พุทโธสู้กับมันไปท่องพุทโธพุทโธบริกรรมพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆนาทีสองนาทีนะความคิดต่างๆหายไปหมดถ้าเราทําอย่างจริงๆอย่างจังลองพุทโธไปเรื่อยๆแล้วรับรองได้ว่าเดี๋ยวมันก็หายไป คำถามจากคุณสุปราณีสิลข้อสี่ห้ามพูดโกหกอย่างเดียวเหรือคะถ้าในสิล5ห้าสิลแปดก็มีแค่นั้นไม่ให้พูดบดแต่ถ้าในอากุระบทนี้ก็มีเพิ่มนอกจากไม่ให้พูดบดแล้วก็ต้องไม่พูดคำหยาบต้องไม่พูดเพ้อเจ้อต้องไม่พูดส่อเสียด น, นี่คือเป็น สินที่ละเอียดคืออกุศลระบนคือไม่ให้พูดการพูดสิ่งเหล่านี้มันไม่เกิดประโยชน์เสียเวลาและอาจจะเกิดโทษได้เช่นพูด cher, เพ้อเจ้อนินทากาเลเดี๋ยวก็เกิดเป็นปัญหาได้เดี๋ยวคนอื่นเขาได้ยินว่าเราไปนินทาเขาเขาก็กลับมาด่าเรามาว่าเราเ อ, อย่าไปนินทากาเลอย่าไปพูดเพ้อเจ้อเพ้อเจ้อคือเรื่องที่ไม่มีสาระ พูดไปแล้วไม่เกิดประโยชน์ไม่มีความรู้ควรจะพูดธรรมะพระพุทธเจ้าสอนว่าถ้าจะคุยให้คุยธรรมะเพราะธรรมะมีคนมีประโยชน์เป็นความรู้ยิ่งพูดยิ่งฟังยิ่งได้ความรู้มากขึ้นอย่าพูดไปเจอคำหยาบก็เป็นเหมือนขยะทางเสียงใครได้ยินเสียงคำหยาบแล้วเหมือนกับไปเจอขยะเพราะฟังแล้วมันฟังแล้วไม่น่าฟัง คนบางทีรูปร่างหน้าตาดีๆแต่พอพูดออกมามีแต่ขยะออกมาทั้งนั้นมึงกูอีนั่นอีนี่ด่ากันไปว่ากันมาเนี่ยเรียว่าคําหยาบอย่าไปใช้มันทําให้คนพูดนี้ไร้คุณค่าคนที่เขาเห็นคนที่มีคําหยาบแล้วเขาจะรู้ว่าคนนี้ไม่มีคุณค่าราคาเลยอย่าไปพูดทําให้เสียเครดิต พูดคำพูดปดก็เหมือนกันพูดปดก็ทำให้เราเสียเครดิตคุณค่าก็จะหายไปพูดสออเสียดคือการพูดยุดยงให้คนอื่นเขาเกิดความแตกแยกสามคัคคีให้โกรธให้เกลียดกันเช่นไปยุสามีให้เขา โกรธภรรยาประยุภรรยาให้เขาโกรธกันเพื่อเราจะได้เป็นบุคคลที่มือที่สามเข้าไปเกี่ยวข้องต่อไปอย่างนี้ไม่ควรทำเพราะไปทำให้คนอื่นเขาเกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วถ้าเขารู้ว่าเราเป็นมือที่สามเดี๋ยวเราก็จะเราก็จะถูกเขาเกียดต่อไปนี่คือคาพูดที่ไม่ได้อยู่ในสีลห้าหรือสี่แปด เพรเวลาเราสมาทานศีลศีลข้อสี่ก็เห็นเพียงแต่มูสาวาธาศีลห้าก็มุสาวาธาศีลแปก็มูสาวาธาไม่ได้พูดถึงพูดคํำยา พ, พูดเพื่อเจ้หรือพูดสอนเสียแต่อย่างใดอันนี้อยู่ในกุศลระบบและกุศลระบบเนี่ยกุศลระบบนี้มีอยู่สิบข้อด้วยกันกุศลสิบคือกุศลทางกายสามกุศลทางวาจาสี่ กุศลทางใจอีกสกุศลทางกายคืออะไรคือการไม่ฆ่าสัตว์การไม่รักทรัพย์การไม่ประพฤติผิดประเวณีกุศลทางวาจาก็คือไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดส่อเสียดกุศลทางใจคือไม่โลภไม่โกรธไม่หลง ถ้าเรามีกุศลสิบอยู่ในตัวเราอยู่ในกายวาจาใจแล้วเราจะเป็นคนดีคนวิเศษขึ้นมาคะคำถามต่อไปจากคุณสุรชัยออตตีวิมลแก้วกราบนมัมจักรหลวงพ่อครับคำถามครับหากคนเราถ้ามุ่งมั่นที่จะสำเร็จในทุกๆด้านให้ดีที่สุดทั้งทางโลกและทางธรรมจะถือว่า ลอยวางไม่ได้หรือเปล่าครับก็ถือว่าเป็นความโลภนะคือคนเรามันต้องรู้ว่าสิ่งที่เราต้องการนั้นมันมีคุณมีโทษกับเราอย่างไรถ้าเราไม่รู้เราไปคิดว่ามันมีคุณแต่มันกลับกลายเป็นโทษความพยายามของเราก็จะเสียเวลาเปล่า แทนที่จะหาสิ่งที่มีคุณประโยชน์มากับกไปหาสิ่งที่มีโทษแทนที่จะหาความสุขกลับไปหาความทุกข์มาดังนั้นก่อนที่เราอยากจะได้อะไรอยากจะทำอะไรเราต้องคิดก่อนว่าสิ่งที่เราได้มาแล้วมันเป็นสุขจริงหรือไม่หรือเป็นทุกข์แล้วให้เราแยกแยะถ้าไหนเป็นทุกข์ก็อย่าไปหามันดีกว่า ถ้าเราเชื่อตามที่พุทธเจ้าสอนก็คือให้เรามาหาธรรมดีกว่าเพราะลถแห่งธรรมนี้ไม่มีโทษมีแต่คุณมีแต่ประโยชน์ลดแห่งธรรมชนะลดทั้งปวงลดอย่างอื่นลถของการร่ำมีความร่ำรวยมีความใหญ่โตมีความสามารถทำอะไรที่เก่งกว่าคนอื่นอันนี้มันไม่ไดเ้เป็นสุขแต่อย่างเดียว มันสุขเพลินเดียเด๋ยวๆแล้วต่อไปมันจะกลายเป็นความทุกข์ต่อมานะงั้นอย่าไปหาสิ่งเหล่านั้นให้มาหาสิ่งที่ไม่มีทุกข์ดีกว่ามีแต่สุขก็คือลดแ่งธรรมมาหาธรรมะกันมามาสร้างธรรมะกันสร้างทานสร้างศีลสร้างภาวนากันจะดีกว่าคําถามจากคุณพัชริยา การที่เราทำอะไรแล้วเราไม่ได้ยินสิ่งรอบข้างถือว่ามีสติหรือขาดสติคะการที่เราทำอะไรแล้วไม่ได้ยินเสียงเลยก็แสดงว่าใจเราจดจ่ออยู่กับงานที่เรากำลังทำอยู่เสียงถึงแม้จะมีก็เหมือนกับไม่ได้เข้ามาเข้ามาเพียงที่หูแต่ไม่เข้าไปถึงที่ใจก็แสดงว่าใจเรามีสติจดจ่ออยู่กับงานที่เรากาลังทาอยู่ ถ้าใจเราไปรับรู้เสียงด้วยเดี๋ยวบางทีก็ทํางานไม่รู้เรื่องเช่นเรียนหนังสือพยายามอ่านหนังสือแล้วเดี๋ยวได้ยินเสียงเพลงใจก็ไปเกาะติดอยู่กับเสียงเพลงแทนที่จะอ่านหนังสืออ่านไปก็ไม่ได้เข้าใจเพราะใจมันไปอยู่กับกับกับเสียงเพลงแต่ตามันอยู่กับหนังสืออ่านไปหน้าหนึ่งก็ไม่รู้ว่าอ่านอะไรไม่เข้าใจ นี่แสดงว่าไม่มีสติไม่มีสมาธิในการอ่านหนังสือหมดแล้วเลย<ะ>โอเคดังนั้นการทำอะไรควรจะฝึกสติคาว่าสมาธิของที่เราใช้กันในความจริงคือว่าแปลว่าสติไม่ใช่สมาธิเช่นเรามักจะพูดว่าไม่มีสมาธิในการทำงานไม่มีสมาธิในการเรียนหนังสือ ความจริงคำนี้ต้องเปลี่ยนเป็นสติไม่มีสติจดจอ่ออยู่กับการทำงานไม่มีสติจดจอ่ออยู่กับการอ่านหนังสือเพราะว่าคำว่าสมาธินี้เป็นผลที่เกิดจากการฝึกสติเช่นนั่งหลับตาแล้วดูลมหายใจเข้าออกจนจิตรวมเป็นฌานขึ้นมาเราถึงนี้เรียกว่าสมาธิเหตุนั้นคำว่าที่เราใช้สมาธิ ที่เราใช้ทั่วไปนี้ความจริงคือสติไม่มีใครมีสมาธิกันหรอกพวกญาติโยมทั้งหลายถ้าไม่เคยนั่งนั่งสมาธิจะไปได้สมาธิอย่างไรเห้นการที่บอกว่าไม่มีสมาธินี้นความจริงหมายถึงไม่มีสติไม่ได้ฝึกสติไม่ได้ดึงใจใจให้อยู่จดจ่ออยู่กับงานที่กําลังทําอยู่ ต้องมาเสริมสติด้วยการใช้คำบริกรรมพุโทโธเช่นพอไปคิดอะไรก็ใช้พุโทโธพุธโทโธหนึ่งกลับเข้ามาพอกลับเข้ามาแล้วก็มาทำงานต่อได้ถ้ายังไม่กลับมาก็อย่าพึ่งไปทำงานเพราะทำงานก็อาจจะการผิดพลาดเกิดความเสียหายหตามมาต่อไปมีคำถามอีกไหมไม่มีแล้วเจ้าค่ะโอเคไม่มีก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา